بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين العقبة ا للمتقين و ل ا ع د و ا ب إلا على الظالمين نصلي ونسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد و عل ى ع ل ه وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ا ن ي ر وجماعة عياد باسيس. มันมีความต่อเนื่องของการเปิดเผยพฤติกรรมและก็มลสนดาลของพวกมุนห์ฟิกในสูร้รสตะวัาบางทีรู้สึกต้องอธิบายเป็นท่อนๆไป ท, ท่อนในประมาณสิบอายะขึ้นไปเนี่ย เราจะได้เห็นภาพรวมของแต่ละทอนแต่เนื่องจากเนื้อหาของแต่ละอายะที่ต้องอธิบายอธิบายให้ให้สัมผัสกับบรรยากาศถึงต้องมีต้องใช้เวลานิดหนึ่งคืออย่างนี้ ตั้งแต่ผมเริ่มตั้ี้ยในเรื่องมาที่ใบความหมายุรอานเนี่ยผมบอกกับพี่น้องทุกคนที่มาเรียนตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับว่าเร า, เร า, เราจะใช้เสียเปรียบมันก็ไม่ใช่ไงเราไม่ได้โอกาสสัมผัสกับบรรยากาศของงัลอุรอานตอนนี้ดูประธานลงมา อย่างท่านนาบีละสหฮาบะในในกุรุนเร็จริงไหเหตุการณ์เกิดขึ้นดิบๆสดๆเลยกูๆๆยอ่าน ล, ลงมาท่านนาบีก็หมัวมีคำตอบจากอัลลอฮ์สุบฮานวดาละอันเป็นทางนำสำหรับสังคมความรู้สึกแบบเนี้ยรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ย รวมถึงความรู้สึกของผู้ศรัทธาว่าพระเจ้าที่เขากำลังเคารพสักการะที่เขากำลังอับาดได้อยู่เนี่ยเขาได้ยินเขาอยู่นะพระองค์ได้ยินรับรู้อะไรกำลังเกิดขึ้นในสังคมและสนองพระดำรัสของพระองค์เนี่ยกำลังสนองทุกเรื่องที่เป็นที่เป็นวาระวาระของของคนในสังคม ซึ่งความรู้สึกความรู้สึกนี้เราสามารถที่จะรู้สึกได้ถ้าเราเจาะลึกไปในอัลกุรอานในเนื้อหาและสามารถสัมผัสกับคุณน่าประโยชน์ของลกุรอานกับเรากับมนุษยชาติก็เปรียบเสมือนเราเราได้เห็นประโยชน์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้ตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้อัลกุรอาน เหมือนเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของคนคนแต่กอ่อนคนรุ่นก่อนนุ่นเหมือนเราอ่านหนังสือประวัติอ๋อสมัยสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ยเขาเกิดเหตุการณ์นี้ก็ฟังแล้วก็บางทีก็มีความสนุกของการอ่านประวัติศาสตร์นะความสนุกนี้มันคนละเรื่องกับอัทธรั ของการที่เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟากฟ้ า, ก, า ก, กับกับโลกอันนี้เราได้รู้สึกว่าโลกที่กำลังหมุนอยู่กับตัวเราเนี่ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในจักรวาล น, นี้และการหมุนของโลกนี้การหมุนวนของกลางวันและกลางคืนมันไม่ได้เป็นกฎทางฟิสิกที่ไร อะไรความสำนึกในการบริหารของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนคนหลงไปในป่านะหลงไปในป่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยแล้วทุบละในขณะที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่อยู่คนเดียวอยู่ในป่านี้อยู่ดีๆก็มีเสียง เ, เดินตรงๆไปเลยอีกหน่อยนึงก็เลี้ยวขวาเจอต้นไม้สีสีส้มนี่เลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวเจอที่นู่นเดี๋ยวจะมีบ้านนี่บางทีเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรนะแต่แต่ต้องตามเพราะมันไม่มีไม่มีทางเลือกไไม่มีทางเลือกแล้วบางที เสียงที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะสร้างความความอบอุน่นความมั่นใจเหมือนคนป่วยสิ้นหวังในการหายป่วยของเขาอะนะ่ะแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลไปพบหมอรู้จักหมอไหมไม่รู้จักแต่เจอหมอใจดียิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ดูคุณหมอดูแลให้เดี๋ยวเราจะทำ จตรวจะเช็เือดอย่างนี้เดี๋ยวทาอย่างนี้แล้วก็เด an ี๋ยวทานยานี้สองเดือนสามเดือนอะอินชอลลอฮ์ทเป็นหมอสิเหมือนนะอินชอลลอ์เราหายเลยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องรอหายเลยนี่กูหายแล้วได้ยินแแล้วก็เเสียงหัวนี่แบบเคเคิหน่อยนะหอครับผมรักษามาแล้วเรื่อาดูแยอนุญาตจากอินชอลฮ์ไม่ต้องรอหายแล้วก็กูหายแล้วด้วยกาลังใจทั้งที่เป็นคนที่เราไม่เข้า สองอายันเนี่ยมันจะมีถึงผมก่อนที่จะเข้าส่เนื้อหาของสองอายันนี่อยากจให้เราได้อัญเชิญความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกของการสนทนาระหว่างฟ้ากับโลกฟ้ากับโลกเนี่ยไม่เคยถูกตัดขาดกัน การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ท่านนบีเป็นนบีสุดท้ายเนียหมายถึงประกาศแก่มนุษย์ชาติว่าจะไม่มีกุรานอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดขาดระหว่างฟากับโลกเด็ดใหนแต่แน่นอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างฟากับโลกที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยต้องขมักขมิ้นในการในการให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย ยังมีอยู่ด้วยการศึกษาเรียนรู้อลกุรอานเราจรึงไม่มีหนทางอื่นที่จะสร้างความรู้สึกนี้ว่าว่าระหว่างฟ้ากับโลกนี่ยังมีความสัมพันธ์นอกจากว่าเอาส่วนหนึ่งที่มาจากฟ้าจากฟากฟ้าเนี่ยให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องส่วนที่เกี่ยวกับฟากฟ้านี่คือคือ คุณอ่านนี่ไงมีอะไรมาจากฟากฟ้าล่ะฝนน่ะคุณอ่านนี่ไงฟากฟ้านี่หมายถึงว่าเบืงสูงเบืงบนที่ Allah سبحانه และก็ตาละทรงอยู่ไงคุรานี่มาจากฟากฟ้ายังบีบอกว่ามินหูบะเดะคุรานี่มาจากอัลลอ์มีอะไรนี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์กาละมุลละสัตยาว่าคุรานี่เป็นกาละมุลละ เป็นพระดำรัสของอัลล์มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนอัลล์อยู่ที่ว่าฟ้านี่ที่เราบอกว่าระวงฟ้ากับโลกเนี่ยส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์นี่อยู่กับเรานี่นี่ใ น, น, นคุรานนี่ด้วยความศรัทธาของของมุสลิมแสดงว่า ม, มีความสัมพันธ์ว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้ ม, ม, ดมีแค่คลื่นที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั่นน่ะเหมือน เหมือนว่าเรายัางออนไลน์กับโลกสุภาเทวดาเนี่ยไม่เรามีตัวเครื่องที่ที่มันผลิตขึ้นเครื่องที่มันผลิตขึ้นอยู่กับเราเองคุณอ่านขึ้นและไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอวิสิทธิ์ของคนหนึ่งคนใดนะทุกคนที่เป็นมุสลิม ที่ละหมาดจำฟาตีห้าได้นะนายวก็เลยยกตัวอย่างแล้วเราบอกว่าการละมาดนี่แบ่งเปน็นสองส่วนระหว่างชั้นกับเบาของชั้นถ้าเบาของชันกนล่าวอมดูลิลลาฉันก็จะตอบเลราะเรก็จะตอบว่าเบาของชันได้สนเสริญชันแล้วแต่เบาของชันกล่าว อัลลอฮฺ الرحمن الر ุลรหี ي, م ي, ي ا ا و م الدين Allah จะตอบหนี้บางของฉันนี่ได้สถตดีชั่แล้วบาของฉันนี่อียะกะนะบุดอียะกะนะสตันอย่างสี่ราสั่งท่านว่นี้บาของฉันนี่ขอฉันแล้วทุกสิ่งที่บาของฉันนี่ขอกับฉันนี่ฉันจะให้หมดนี่ไงเพียงท่องจำอัลฟาติฮะเนี่ยเราสามารถสัมผัสกับ ความสัมพันธ์ระหว่ง ق, างฟากฟ้าระหว่างฟากฟ้ากับลกูกแต่ความรู้สึกความรู้สึกสมัยท่านนาบีและสหายวะนีในในการประทานลงมาของกุอานนี่มันมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้สหายวได้มีอัตรถ กตรถในการสัมผัสสัมผัสความมุดงาของคุตัรอ่านมากกว่ามากกว่าที่เราจะได้สัมผัสภารกิจของเราตอนอ่านคุตัรอ่านนี้ต้องพยายามนะเราไม่ต้องมีความหมายลึกซึ้งของงันกุตรอ่านละเอียดเหมือนที่อุลามาเขาศึกษากันความหมายพื้นๆนะที่เราอ่านจากหนังสือความหมายคุตัรอ่านทั่วไปเนี่ยแต่เราพยายามทำสมาธิให้ดี และพยายามพยายามเข้าใจบทือบทอัลกุรอานเนี่ยว่าผู้ที่กำลังแสดงบทในบทเนี่ยมีใครบ้างส่วนมากคนที่สอบตกในการพินิษ์พิจารณาอัลกุรอานเนี่ยคือเอาตัวเขานี่ออกจากจาก คนที่แสดงในบทเขาไม่ได้อยู่ในบทบทนี้บูดึงอัลลอฮ์ الله, ร ول, ัศดลซัฮาบะมุนาฟิกใครต่ใครนี่แต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเราไม่ได้เห็นสามมิติเราไม่ได้เข้าเข้าไปดูในบรรยากาศตอนนั้นตอนที่นบีคุยกับซัฮาบะนี่ฟีลิ่งมันเป็นยังไงนี่ความรู้สึกมันเป็นยังไง และการที่อัลกุรอานสนองสนองเหตุการณ์สนองสถานการณ์อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกยังไงกับซาบะอย่างนี่เราจะสัมผัสในในสองอาย่านีที่เราจะศึกษารยรู้แต่วันนี้เป็นอายะที่ค่อนข้างเข้มเข้มข้นและก็เข้มงวด กับตัวท่านนบีสุลต่านละ ว, วันนี้เนี่ยเราจะเห็นความเมตตาของท่านนบีสุลละสัลลัมที่จะพยายา ม, มพยายามหาแง่ดีหาข้อดีหาทางออกให้คนที่ให้คนที่ทำลายอิสลามก็คือกุมมุนาฟิกนมุนาฟิกินที่เราได้ศึกษา ต, ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกของสุรานี่ พฤติกรรมของเขาความระยามของเขานบีก็ต้องคุกคีกับพวกมุนาฟิกินในมันดินานี่ตลอดเวลาเห็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วด้วยความล้ด้วยการที่ท่านนบีเนี่เป็นมนุษย์สัญชตาตญาณของมนุษย์มนุษย์ทั่วไปเนี่ยนบีก็จะปฏิบัติตามตัวบทแต่ไม่สามารถที่จะ รู้อะไรที่มันลึกลับมากกว่านั้นฉะนั้นขยอนี้จะพูดถึงเรื่องการตัดสินคนที่เป็นมุนาภิกพวกสับหลับกับกอกในมาดีนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเด็ดขาดที่สุด <c oughs> ในประวัติศาสตร์ตอนที่ท่านนับีมาอยู่ที่มาดีนานี่นะก็พยายามปรองดอง อลรมณ์อโลวย์ประีประนอมคิดในแง่ดีตลอดแต่ไอ้เรื่องนี้มาบนมาเปนไอดที่ไอ้ี่ดิบขดเรื่องที่เป็นเรื่องนะนะโอ้ว่าาคอมูนาฟิกีนเนี่ยชื่อ عبد ุลลอ์ عبد ุลลอห์อิบอุเบย์ินิลูล عبد ุลลอห์อิบอุเบยอิบนิลูล สลลามีเวอิซลุ น, นีบินชาอุฮัซร์จฮัซร์จเลออาสคอณรู้ไหมนบีท่ า, นนามาเนื่องจากว่าเป็นบุรุษที่ร่ำรวยที่สุดที่มัดินาบารมีล้นฟ้าชาวมัดินาทั้งเผ่ า, า, าอาสและก็ฮัซร์จและก็ชาวยิวประชุมกันแล้วอ่ะนี่ทำแล้วมงกุฎ ที่จะสถาปนาเป็นกษัตริย์ของมดิน่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเมืท่านนาบีมาเผยแพ่อิสลามที่มดินนี่โครงการนี้เนี่ยลม่ลมล่มรู้สึกเลย คนที่อยากจะเป็นหัวหน้าพักแลวไม่ได้เปิด็นรู้สึกไหมอะไรประมาณเนี้คนที่อยากจะเป็นนายกแลวนี่นายกตัวจริงของประเทศไทยคนที่เท่าไหร่นะคนที่สามสิบาเดี๋นี้นับนบไม่ท่วแล้วหัวหน้าพักคนที่เท่านูนโอ้โหนี่ยังก็เป็นนี่คือนายกตัวจริงคนที่ส0มสงบหประเทศไทยแล้ว หมดสิทธ์ไปแล้วมีหลายคนอ่ะนะเนี่เราพูดแต่งคำทุเลาเนี่ยไม่มีสรูลนะไม่ใช่คนแต่เป็นเจ้าเมืองแล้วมุฮัมมัดมาเนี่ทยทํายังไงอ่ะก็ลูกยะมาของเขาทั้งหมดเนี่ยที่จะสถาปนาเขาเป็นเจ้าเมืองอ่ะนะเขาหันไปหามุฮัมมัดหมดจึงหนีไม่พนนะ้นลูกยะมาไปนี่ยกูก็ต้องไปด้วยแต่ในใจอ่ะนะ แค่ไหนเทปเสุดๆเลยอาตุลลามนี่ไม่รม mai, ิจฉาหลงนี่ก็พยายามที่จะมีบทบาทเพื่อไม่ไม่ไม่ไม่หมดไม่หมดรัศมีไงหิวแสงมีอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องต้องบีไปจิฮานกไปแต่เวลาเอไออะไรนี่หนถอยตาไม่ไม่ไปจิฮันอะ นบีเร e, ียกร้องให้บริจาคเออบริจาคแต่ไม่ชอบอะไรนี่กตัญญูนี่เนี่ยพฤติกรรมตัญญิคนที่บริจาคอยู่อยู่แบบนี้ต่เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทาให้นบีสุล่านละองหรืยูสุลต่ารู้สึกถึงความจริงใจของของอัลลอฮฺ้มีอยูบญิบนิสลเห็นที่บอกว่า ขณะท่าน نبي ม ح م د صلى الله عليه وسلم ยังไม่ทราบเลยว่าอับดุลลอฮมนยนิสซูนีมีมีพิษมีภัยขนาดขนาดนั้นดังสุภาษิตที่บอกว่าชาวนาเลี้ยงชาวนาเลี้ยงมูเข่ คือถ้าชาวนาเนี่ยรู้ว่ามันมงูเห่าแล้วมันกัดจริงๆเนี่ยก็คงไม่เลี่ยงหรอกผมว่าไม่มีใครชาฉลาดกว่าชาวนานะทำตัลวมมตลวาวาราจะเป็นงูเห่าแท่ๆเลยก็หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาดีนะ่าซึ่งเป็นการหักหลังท่านนศยพลสลดนั่นเองเป็นเป็นเป็นพระเอกทำตัวเราอยู่ไว้ในสโลเนี่ยเป็นพระ จนถึงเวลาที่อับดุลลอฮฺมุลวัยมินิสลุลเนเสียชีวิตเสียชีวิตก่อนสงครามตะบูกลูกเขาเนี่ยในต a f i r อับดุลจาลีเนี่ยถวมไม่ได้ตรวจสอบสส่ได้งานนี้แต่แต่ไม่น่าจะาไม่น่าจะถึงระดับที่แบบพราใช้ไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าชื่อลูกลูกอับดุลลอฮฺมุลวัยมินลุลเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อ อัลฮุบับฮุบับนบีเปลี่ยนชื่อบอกว่าเปลี่ยนเถอะมีหลายคนนะนะที่มาดีนะที่นบีเปลี่ยนชื่อนะเช่นคนหนึ่งชื่อชีฮับชีฮับแปลว่าไฟนบีเปลี่ยนชื่อให้ให้ตั้งชื่อฮิชามมีคนหนึ่งชื่อฮะ ฮัซเปว่าเศ้าเขาก็เปียนเถอะฮัซนเศ้าเปี่ยนเถอะแล้มีตั้งชื่อให้ซาลซาเป็ง่ายราบรื่นแต่คนที่ง่ายราบรื่นนี่จะไม่ไม่ซึมเศร้าไงคนที่ซึมเศร้าส่วนมากคือคนเนี่คิดมากแต่คนที่ง่ายง่ายราบ เรียบง่ายนี่นะเขาจะไม่เศร้าเลยสังเกตได้ในสังคมมนะคนที่เรียบง่ายนี่นะเขาจะไม่เศร้าเขาจะคึกคักอยูําฮสนี่น บ, บีก็เปลี่ยนเอเก็ชื่อชื่ออายอัดตั้ ง, ง่ายนี่ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนหรอกยันลูกยันหลานนี่นะมีอาการซึมเศร้าตลอดหลานเขาเนี่ยหลานเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยชื่ออัลมุไซยยบ ลูกของลูกนี่ลนชื่อ س ع อบุลมุไซบอบุฮซนึ่งเป็น ت ا ب ีนะเราเร่งนี้เนี่ยจะจะคนปู่เขาอะปู่นี่ชื่อฮซนและนบีจะเปลี่ยนชื่อให้นีไม่ยอมเขาบอกว่าชื่ออยอตั้งให้นี่ฉันไม่เปลี่ยน س บอกว่า ف ل ความซึมเศร้านี่ก็ยังคงอยู่ในตระกูลของเราเนี่ยถึงวันนี้ ย่อมไม่ยเปี่ยนเขาบอกว่าอิบนนึกเสียใจด้วยา่กาชื่อเราเนี่ยกับบุคลิกเนี่ยมันมีส่วนส่วนเกี่ยวเกี่ยวโยงกันเกี่ยวข้องกันเปลี่ยนไมเปลี่ยนชื่อนะเราก็เปลี่ยนชื่อเถอะผูบ้าเนี่ยลูกของอัลลอฮฺบินอยเนี่ยเปลี่ยนชื่อะ ให้ตั้งชื่ออาบดุลละเพราะอัลฮุบบับเนี่ยชื่อเซตตอนตัวหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งเพิ่งรู้จากอะดิดบทเนี้ยว่าชซตตอนนี่ก็มีหลายชื่อไงอย่างเซตอนที่มันกระซิบในละมานกระซิบในในอาบน้ําละมานี่ก็มีชื่อเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ฮุบบับนี่นายบิว่ามีชซตตอนตัวหนึ่งชื่อชื่อฮุบับแต่ไม่รู้ ไอ้ฮุบับนี่มันมันมันมีหน้าที่อะไรแต่ในอดีตบอกว่าชื่อชื่อตอนนีฮุบบับนบีก็ขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นอับดุลลอ์จึงมีชื่อว่าอับดุลลอ์อับดุลล์อบดุลบีอบุลอับดุลลอ์ลูกชายเขานนะเขาก็รู้พฤติกรรมนี่เงาของพ่อเขากับท่านนบีเช่นไปทาสงครามกับท่านนบีลต่อเลลมแล้วก่อนที่จะเข้ามาดีหน้านี่ มุนาบิกับุลเลฟดไว้นซาลนีมีชาวอันซอรกับคนต่างถิ่นนทะเลาะกันอบดุลไว้ินซาลนี่ก็อยากจะให้ชาวอันซอรพวกชาวมดีนาเนี่ยสนับสนุนชาวมดีนแล้วไปต่อต้านคนต่างถิ่นแต่นี่ชาวอันซอรเนี่ยเขาเป็นมุสลิมกันแล้วไม่ใช่นี่รไม่ใช่เป็น ชาวมาดิน่าเดียกันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาผิดหรือถูกเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมไม่ยอมช่วยบอกว่านี่ไงมันคือสาวกของท่านนาบีนี่ไงเราเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงมุฮัมมัดเนี่ยแล้วก็สาวกของเขาดีนะจนกระทั่งมาขี่คอเราในบางรายงานบอกว่านี่ไงเลี้ยงสุนัขจนสุนัขนี่มากัดเจ้าของ รอเถอให้เรากลับมาดีหน้านี่นะคนที่สูงส่งเนี่ยจะต้องขับไล่คนที่ต่ำต้อยเขาไม่ได้เอ่ยแล้วนะว่าใครสูงส่งใครต่ำต้อยอ่ะนะแต่ใครๆก็รู้นี่กับพาดพิงถึงท่านนาบีเนี่ยเป็นละซาร์บ้านเนี่ยเป็นผู้ต่ำต้อยใช่ไหมฮามดุดุลเล่หนอฮาดิลเล่ลูกเขาก็รู้นี่ปากพ่อเนี่ยก็เป็นยังไงก็เลยรีบกลกับมาดีหน้าก่อนที่พ่อนี่จะเข้ายืนหน้าประตูประตู เข้าประตูหลักของทางเข้ามาดินาเนี่ยหา้ามไม่ให้พ่อเข้ามาดินาให้เข้าไม่เอาเนี่ยให้เข้าจนกระทั่งผู้สูงส่งนี่จะต้องอนุมัติให้ผู้ต่ำต้อยเนี่ยจะเข้าไอ้นี่ก็ตะโกนลั่นเลยบอกวโอ้ช่วยด้วยลูกฉั น, นย่ามฉันไหมนบีนบรีรู้แล้วบอกว่าปล่อยปล่อย ลูกลูรู้นะการลูกนี่ก็ความเป็นลูกไนงะพอ่พอพ่อเขาเสียแล้วเนี่ยมาท่านนาบีเนี่ยรอ้องไห้อกวานบีขอให้ท่านนาบีดุอาขอไยโทษอภัยให้คุณพอ่อแล้วขอให้ท่านนาบีเนี่ยกรุณากรุณาเอาเสื้อของท่านนาบีนี่มากฝัน กระฝันพระราชาทานเอาอย่างนี้เลยนะนบีถอดเสื้อให้เนี่ถอดตัวให้แล้วตอนนั้นนบีเหงื่อออกนี่เสื้อติดเหงื่อท่านนบีด้วยเอาไปกระฝันนักประวัติศาสตร์บอกว่าสองอย่างที่ท่านนบีทำนะก็คือขอไปอโทษให้มุนาฟิกคนนี้ และละหมาดยันนาไซเข้าด้วยนะสองถอดเสื้อให้เป็นกระฝันด้วยซึ่งเป็นสองอย่างในอายะนี้เดี๋ยวเราจะรู้นะว่าอัลลอฮ์อัลลอฮติท่านนบีติท่านนบีว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีอายะหลังจากนี้สองสามอายะนี้อัลลอฮ์ห้ามเลยนะนบีทํานบีละหมาดยัด น, นนาไซในก่อนที่จะมีข้อห้ามพอนบีละหมาดยันนาไซแล้วเนี่ย ข้อห้ามนี่ลงมาทูกประทานลงมาแต่ข้อห้ามไม่ให้ขอดูอา่าอับเบอโทษเนี่ยลงมาแล้วนะเราบอกว่าจะอัยโทษเขาเจ็สิบครั้งเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์จะไม่ใหอับโทษนบีด้วยความหวังดีนะบอกว่าฉันจะขออัยโทษให้เขามากกว่าเจสิครั้งด้วยความหวังว่าอัลลอฮ์ห้ามแค่เจ อันที่จริงแล้วเนี่ยเป้าประสงค์นี่ก็คือจะขออภัยโทษจำนวนมากกระดามนะ a l l ก็ไม่ให้เราไม่ไม่รู้หนะนบีนบีรู้นบีเข้าใจแน่นอนแต่นบีตีความในแง่ดีให้ประชาชาติซึ่งไม่ผิดที่นบีตีความกนไม่ผิดมีสองเรื่องแ ล, ล้วทำไมท่านาบีขออภัยโทษละ่ะทั้งที่เป็นขอ้อห้าเนี่ยคําตอบ ที่สำคัญเนะี่ยมีหลายคำตอบนะครับตที่สำคัญเนะี่ยว่าท่านอนับดุลเลาะหิสัลัลลอฮเหมือนผู้ปกครองบริหารด้วยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทานนิติศาสตร์นะกฎหมายชัดเจนจะขออภัยโทษหรือไม่ขออภัยโทษอัลลอฮไม่ให้อยู่แล้วและอย่างอัลลอฮไม่ให้อันนี้คือนิติศาสตร์คือกฎชัด แรัฐศาสตร์ล่ะรัฐศาสตร์นี่ก็จะดูอาจะกฎหมายตรงนี้มีช่องช่องเป็นเป็นช่องที่ดีสำหรับํำเลยสำหรับคนที่โดนข้อหานี่นะตีความให้ให้เขาถ้าเจ้าจะขออภัยโทษ70็สิบครั้งอัลลอฮจะไม่ให้อาแสดงว่า ถ้าเจสิบเนี่ยเราไมแต่ถ้ามากกว่าละอาจจะห้ถ้าเป็นข้ออย่างพอที่จะตีความได้นะนบีจะตีความให้ซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นเป็นนบีแล้วก็เป็นร่ำเมตตนลิลอาลามเป็นปด้งไงนบีนบีเป็นร่ำเมตตลิลอาลามีนเป็นร่ำเมต์เป็นมหาเมตตาทั้งผู้ศรัทธา คู่ปฏิสทาละมุนาฟิกด้วยสอาลามินอาลามนดทุกุอาลามเนี่ยโลกมโลกของกาเฟตโลกของมุหมินโลกของมุนาฟิกโลกทุกโลกนี่นะนบีเป็นความเมตตาให้เขาแม้กระตั้งวนนบีก็เป็นเมตตาอัลล์ไม่ได้ไม่ไไม่ด้ไม่มีความเมตตาเขาแล้วก็มีความเมตตาแต่ความรอดรู้ของอัลล์นี่ก นบีนี่ก็ไม่เท่ากับอัลลอฮ์แน่นอนไม่เท่ากับ อ, อัลลอ์แน่อนอัลลอฮ์รู้บั่นปลายของอับดุลลาห์อยู่ใบมือซูเเป็นยนนังไงรู้แค่ว่าอับดุลลาห์นี่ประพฤติไงเช่นที่ศัตรูชะกาดของท่านนบีตอนอยู่ที่มักกะคนที่ประกาศว่าจะฆ่าท่านนบีบังแดดมาก ประกาศต่อหน้าเจาปะาทั้งหมดที่จะฆ่าท่านนเนะศัตรูะาองทานนาบีนี่ใครอมูรนคตอบแต่ไม่มีแม้แต่อายะเดียวในคุรานะแต่เราจะทำหนีบูลฮับหรือใครแครทำหนีทางอ้อมก็ไม่มีเลยอัาลอฮทไมเพราะเรารู้บั้นปลายของออจะจะเป็นใครเป็นเป็นคนไหนเรารู้เราก็รู้บั้นปลายของอัลลอเาอยู่บนี่เป็นยังไงแต่นาบีไม่รู้ แล้วกันนบีทําไมให้เสือ้อไปเป็นกะฝันอัลลอบางท่านบอกว่าคาตอบอันหนึ่งที่สอดคล้องกับที่ท่านนาบีขออภัยโทษนะั่นก็คือนบีก็เมตแต่สงสารนะเพราะอับดุลลนบบีวายูซูลุ น, นีถึงแม้ว่าหักหลังท่านนาบีแต่ก็มีบางเรื่องนี้ก็เออก็ช่วยท่านนาบีเช่นอับดุลลาบบีวายซูลุนเนี่ สถาบนาตัวเองอะนะเป็นเหมือ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นโคสก ข, ของท่านนาบีเวลาไปสงฆามเวลาไปที่ไหนเวลาละหมาดวันศุกร์เฮ้ยเฮ้ยทุกคนพวกเราพวกเราต้องเชื่อฟังนบีนะอย่ามีใครมานี้นะพวกเราต้องนะแล้วเขาบอกว่าในประวัติศาส์อกว่าอับดุลลอฮ์นี่ไม่อในสลูลเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยก่อนที่นบีจะขึ้นมิมบัตนี่นะ อดุลลผู้สัทาทั้งหลายพวกเราต้องฟังนบีนะต้องฟังกุดใบดีนะฟังนะเนี่ยเขาบอกว่านี่มาชาลุสลิมีนแะซมรดลอุมินเนี่ยตัมอัเนี่ยพวกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเนียเขาบอกว่าต้นตำรับเนี่ยมาจากอาดุลร้อยมิวบายิบสลุตต้นตำรับอย่าว่ากันแล้วนะไม่ได้ตั้งใจเน่นีแค่เล่าเรื่องเรื่องที่ไปที่มาของมัน คือการกล่าวมาในในทัศนะของผมหมดอะคือถ้าพูดเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาไม่เป็นปิดาแต่ถ้าถือเป็นพิธีนะไปถึงว่าถ้าลืมกล่าวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นขุดบให้ลงมาก่อนลงมาก่อนให้มาเชิาอะกนมาเชิญมุสลิมก่อนอันี่นี่ยไม่ได้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขและจริงในในมัซซัมอิมามชเวีเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในขุดบาฮ์นะแต่ก่อนนู้นเนาะ จะจะไปมัสยิดที่เขายึดในมัสยิดชเวีนี่เขาบอกเดี๋ยวรู้รู้ปล่านี่เป็นมัสยิดชเวีนรู้ครับขึ้นเนี่ยรู้ปล่าว่ารู้ครับต้องต้อ ง, องรับสารบันแล้วก็ไม่เท้าแล้วก็ขึ้นแล้วก็อัลสลามุอะลัยกุมแล้วก็ก่อนที่จะอาลซานเขาก็มาอา่านอิมนะุสลิมีนรู้รู้ผมรู้แต่มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขไงไม่ได้เป็นเงื่อนไขถ้าเป็นเงื่อ น, นไขเนี่ย ผมไม่ไม่เห็นว่าเป็นปิดาไม่ใช้เป็นปิดาทําได้นช่นท่านนบีเห็นอัมตุลลอฮฺมีบทบาทเมื่อเงินถ่งก็ทําคือพยายามที่จะช่วยท่านนบีและอีครั้งหนึ่งสงครามบัุงของท่านนบีเนียลอับบาสีบินะบุลมุตตัลีเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่ถูกกักขังอยู่ที่มักกะเนี่ยเนื่องจว่า ทรัพย์สินแกเยอะไงชาวมักกะก็ไม่ยอมให้อะรักบาสเนี่ยอพยพก็ขังอยู่ที่มักกะก็ก็บังคับเขาแหะแล้วเวลาเกิดสงครามบันเนี่ยก็บังคับให้อิรักบาสเนี่ยออกออกในกองทัพของกุเรชของมักกะเพราะเกิดสงครามแล้วอะนะอิรบไม่ยอมไม่ยอมสู้ไม่ยอมเพรเป็นมุสลิมไงไม่ยอมสู้แต่ตก เป็นเฉลยไม่รู้ละไม่มีเส้นสายสำหรับท่านนาบีไม่มีเส้นสายลุงของท่งนานนบีนี่ก็เป็นเฉลยเป็นมุสลิมและเป็นลุงท่งนานนบีอ่าตอนนั้นก็มีมติว่ า, อาไอถ่ตัวเองนี่ก็ต้องจ่ายตังค์แต่ก่อนที่จะถึงข้อตกลงนี้อด้วยสมดเลยเพริะถูกถูกจับเป็นเฉลยนี่นะไม่มีเสือ้อ เหมือนถูกดึงเสื้อหรืออะไรสักอย่างเสื้อขาดนะไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่โต๊ะอย่างเงี้ยใส่แค่เหมือนสราศรูงเงี้ยแล้วก็ลุงของท่านนาบีแล้วตัวตัวน่ะนบีเองก็ไม่มีไม่มีเสื้อที่จะให้อะบัดอัลอบาบบสุลุงของท่านนาบีอับดุลลาอิบเนหุบัยบเนซูลูนเนี่ยท่านดีลิถอดเสื้อให้ลุงของท่า น, นา ขอเสื Audience, ้อให้หลวงท่านน ب ي เขลามาเกี่ยวกับอะไรอดีตบัตรบุ خار ีอขลามาก็บอกกันนี้แหละที่ท่านบี ي สัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลลัมทอดเสื้อให้อับดุลลาห์มูฮัมหมัดสุลเนี่ยไม่ใช่ว่านบีรักเขาหรือนบีจะเถิดเกียรติเขาหรือไม่แค่คือหนี้บุญคุณที่เคยทําไว้จะได้ไม่ไม่มีอะไรติดกันและได้จบกัน เคยมีบุญคุณอะไรกับท่านนาเบียนจบล้ให้ไปละอันนี้อุลลวองท่านในที่ความการอธิบายเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยเราจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของอับดุลลา์บินอูบับินอิสลูลเนี่ยมันเป็นบททดสอบค่อนข้างแรงในสังคมมดีนาะแล้ว อย่างที่บอกกับพี่น้องก่อนหน้านี้เนี่ว่าสุรตาบ้านเนี่ยเหมือนเป็นระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติพลเมืองใช่ไหมคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่อาศัยอยู่ในรักอิสลามเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแต่คุณสมบัติของอัลลอฮฺนีนม่มันไม่เพียงพอที่จะให้ท่านอับดุลลาห์มะัมหมัดานให้เขาขอพระโตให้เขา แต่ท่านนาบีไปละหมาดจึงเกิดถึงขนาดที่ซวอนองท่านนี่คัดค้านท่านนาบีนะอัลลบุรุณุขตอมด้วยความที่อัลลบุรุณขตอมเนี่ยเป็นคนเป็นคนจรงิงจังคนจริงจังถึงขนาดที่ท่านนาบีแล้วก็ส้ไม่มีใครกล้าที่จะที่จะสงสัยในความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮฺบขตอมมีขึ้นไปละหมาดให้อัลลอฮ์เน้อบนสวนบ่วนนบีอัลบขต้อมเนี่ยดึงเสื้อท่านนบีทาอะไร แต่ในยามปกตินี่ก็ถือว่าเสียมารยาทกับท่านนบีแต่ทุกคนรู้ในความจริงใจของอลลุลตอบแต่เลาบางท่านบอกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านนบีเคยยุกย่องออุลขตอบว่าความเห็นของอัุลขตอบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคุรานจะสนับสนุนเพราะอลลอตบนี่คัดค้านไม่เห็นไม่เห็นบีละหมาดจะซยอย่างตนสุท้ายเนี่ยอายะห์ดูดลงมาพวจริงด้วยพวกมุนเนียได้ละหมาด ولا ละสัน่งได้าครบบเยีางมารนะได้ทำอะไรที่เกีี่่่ยวกััับบบเเรืืออองงงคคุุณณสสมมมตตขลท็ไา้ ถูกประธานลงมาติท่านนบีนั่ท่านนบีที่ไปขอพระยะโที่ไปละหมาจนะจายเขาท่านมลลามันได้บอกว่าถ้าท่านนบีเนี่ยเป็นคนโกหกหรือเป็นคนอุปโลกกุรอานน่นนะหลายเรื่องที่มีการติติท่านนบีเนี่ยนบีไม่ต้องเอามาเล่าให้เราฟังก็ได้และไม่มีใครจะรู้ด้วย ไอ้แบบเนี้ยอาเบสะววันไหนบีไม่ต้องมารายงานให้เราก็ได้แต่ทุกอย่างที่ท่านนบีได้รับมาจากอัลลอฮฺนะว่าด่าลันบียางอื่นรุสูลุบลลิหมะอุนซิลาอิเลิกะมินรุบบิกอุรุสูลจงจงประกาศจงเผยแพร่สิ่งที่เจ้าได้รับจากพระเจ้าวออิลลัมตฟถ้าเจ้าไม่ได้ทา ไม่ได้รายงานไม่ได้เผยแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮได้ทรงประทานลงมาเป็นวะยูเนี่ยฝามบัเลิศติ์เจ้าถือว่าทรายุทธ์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแ พ, ยพร่พระดำรัสของขาาเข้าใจแล้วนะบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาอ่านดูอ้า <c oughs> <c oughs> สิอัลลอฮฺบิลลาะมินชิตาะอุ ج. استغفر لهم أ و ل ا ت س ت غ ف ر لهم إن ت س ت غ ف ر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا ي ه د ل قوم الفاسقين. ج ق أبوي تون ا ي ออทหแกพวกเขา استغفر لهم أ و ل ا استغفر لهم ท่อนนี้พอที่จะเข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าการขออภัยโทษในทุกกรณีในทุกกรณีไร้ผลอิสตัฟ ว, รวิร์เอลัสตัฟจะขออภัยโทษหรือไม่ได้ขออภัยโทษน่ะนะอินเตสแคททอนแคททอนนี้นะ่ะนะมันก็พอที่จะเข้าใจค่อนข้างชัดเจนว่าการขออภัยโทษในทุก و ربنا لا ميبي بيوت. أتاني إن تستغفر لهم سبعين مرة حتى خاب حياتور. كي พวก ه سبعين مرة حتى خاب ح ي ت و كي ก ه ب ع ي ن ا ب ح ي ي พวก ه سبعين مرة حتى خاب حياتور. كي พวก ه سبعين مرة حتى خاب حياتور. كي พวก ه س ب ع م ي ก ه س م ر ب ا ي พวก ه سبعين مرة حتى خ كي พวก ه سبعين مرة حتى خاب حياتور. كي พวก ه سبعين مرة حتى خاب حياتور. ك ก ن ت ى ت و วก ه ن خ و ا ب ي ت و ر كي ب خاب ا ت و ه س ب ي ح ي ا ت ه س ب م ر خاب ح ي و ر ا ตัวเลขในกุรานมีความหมายของตัวเลขมีเป้าประสงค์ของตัวเลขหรือไม่มีอย่างเช่นอายะเนี้ยเจ้าขอไปดเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์จะไหมถ้าตัวเลขเนี่ยมีความหมายเสมอมีเป้าประสงค์เสมอสแสดงว่าความหมายของอายะนี้ ถ้าเจ้าขออภัยโทษ70็สิบครั้งอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษแต่ถ้าเจ้าขออภัยโทษมากกว่าเจ็ดสิบครั้งอลลอจะให้อภัยโทษถ้าตัวเลขนี้มีความหมายมีเป้าประสงค์เสมอนะเข้าใจแบบนี้นี่นะถูกต้องร้อยปอร์เ์อาแล้วเราก็ที่ท่นานนบีเข้าใจนี่มันผิดแล้วมันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะตัวเลขเนี่ย ในกุาลเนี่ยมันไม่เสมอไปบางตัวเลขเนี่ยมีเป้าประสงค์ชัดเจนเช่น azaniyat azani า, า, า, า, า, ายิงทำศีนาชายทำศีนาให้เขียนโบยกี่ครั้งหนึ่งรครั้งหนึ่งรครั้งนี่มีความหมายไหมหรืออัลลอ์ก็เลยว่าหนึ่งรครั้งนี่เออ ป่อยให้เยอะไปแล้วกันไม่หนึ่งก็คือหนึ่งรห้ามน้อยกว่าหนึ่งรแล้วก็ห้ามเกินมากกว่าหนึ่งรน้อยกว่าก็ไม่ได้มากกว่าก็ไม่แสดงว่าหนึ่งรอยนี่นะมีเป้าประสงค์มีมีความหมายมีความหมายแต่อย่างไอน้นี้ถ้าเจ้าขอพระพุทธเจะสิบครัง้งอัลลอฮ์ก็จะแม่ให้พรุทธเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้มีเป้าประสงค์ เฉพาะตัวเล็แต่มันเป็นอุ ป, ปมาใช้เพื่ออุ ป, ปมาอุ ป, ปมาอะไรอุ ป, ปมาความมากเพราะเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสบเนี่ยเยอะให้ติงว่าเยอะถ้าเจ้ า, จ, า, าจะขอประโยชนเยอะนี่นะเขาเราก็จะไม่ให้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเฉพาะเจ็ดสิบนะแต่เนื่องจากว่าอาญะเนี่ยมันตีความ ไ, มได้ทั้งสองความหมายตีความว่า เยอะจะแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ก็ไม่ประทุน อ, อันนี้ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าขอเจ็ดสิบนา่นเราไม่ให้มากกว่านี้ไม่แน่น บ, บีก็เลยเลือกตีความนี้เข้าข้างอัลลอฮ์นี่ไม่สนุนหวังว่าเขานี่อาจจะรับอับยัยทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และนี่แสดงถึงนโยบาย ของท่านนบีล่านละอลัยัมที่อัลลอ์ไม่ได้ห้ามนะอัลลอ์ไม่ได้ห้ามนโยบายของท่านนบีในการคิดในแง่ดีของมุนาฟิกีนและก็เปิดโอกาสให้เขากับเนื้อกับตัวนี่อัลลอฮ์ไม่ได้แลสนับสนุนแต่สิ่งที่มันเป็นการการันตีเนี่ยสองอย่างเนี่ยขออภัยโทษอย่างเปิดเผยความล้ลออาบนดิแล้ว่นลูกชายเขาเนี่ยมาบอกกับท่านนบีเนี่ยได้โปรดขออภัยโทษให้เขา และละหมาดให้เขาด้วยฮะนบีก็ประกาศว่าจะขออภัยโทษมากกว่าเจ็ดสิบครั้งหวังว่าอัลละจะให้อภัยโทษและละหมาดให้เขาอันนี้มันเป็นสองอย่างที่นบีทําอย่างเปิดเผยทำอย่างเปิดเผยนี่เท่ากับการันตีถึงความเป็นผู้ศรัทธาซึ่งอันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เลวพอแล้วนะ่ะที่เป็นมุนาฟิกนะ และอัลลอฮ์ได้เปิดโอากาสให้เขาเนี่ยกลับเนื่องกับตัวตลอดและไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยตัวจริงครไม่เดีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนนูนน้นคนนี้คนนี้เป็นมุนาฟิกเดือนหรอกในคุณอ่านนี่ไม่มีชื่อมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวคุณอ่านไม่มีนชะื่อมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวทําไมเ้าก็เป็นนโยบายให้พวกมุนาฟิกเนี่ยพิจารณาตัวเองแล้วก็กลับเนื่องกับตัวอันเนี้ยอันนี้ อันนี้เอาลัทธิสนับสนุนอยู่แล้วแต่ปล่อยให้เขานี่สำนึกเองแต่ไม่อยู่ว่าใครจะตายนี่ก็มาละมาจนาใจเขามาตายก็ละมาจนาใจไอ้จ้บบนี้นมุนาฟิกนี่โอ้ยสบายฉันจะฟิกฟิกฉันจะฟิกทั้งชีวิตเขาจะฟิกไหมฉันจะเป็นมุนาฟิกฉันจะเป็นมุนาฟิกทั้งชีวิตแล้วสุดท้ายนบีก็ละมาได้ฉันเฮ้จบ อันนี้เนี่ยทุกคนนี่ก็ต้องระวังตัวสิโวจะท่านตายแล้วเนี่ยแล้วนบีไม่เลยมาได้ฉันแนะ่ยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะและหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีบางกลุ่มที่เป็นมุนาฟิกนะและซาบะกร้อ ย, ย่างเป็นมุนาฟิกเลยยังไม่ได้กลับเนี่ยกับตัวเอา้าแล้วก็นบีไม่อยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงอะ่ะ อ er huh. ้ไซเฟมเนเลมานนี่เคยเป็นที่ปรึกษานับีในฝากชื่อมุนาฟิกทั้งหลายที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้อะไรจนอับดุลเบีเสียชีวิตเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เขาไซเฟมเนเลมานนี่รับปากกับท่านนับีว่าจะไม่เปิดเผยชื่อนี้เป็นอันขาดเลยมีคนเดียวที่มาขยันขยอขออ้ไซเฟมเนเลมานบอกฉันเถอบอกฉันเถอะฉันเป็นมุนาฟิกไหมฉันชื่ออยู่ในลิสต์ไหม อยู่ในแบล็คลิสไหมโอเซ่บอกว่าฉันน่ไม่เคยบอกกับใครแต่จะบอกกับท่านคนเดียวและจะไม่บอกกับใครต่อไปท่านอมตะสบายใจได้เลยท่านไม่ได้อยู่แต่คนอื่นเนี่ยก็กยังกังวลไปถามโอเซ่ว่ า, าเนี่ยก็ไม่ยอมตอบทำยังไงดีล่ ะ, ะคนนั้นตายเนะเป็นคนที่เป็นมุนาฟิกหรือเปล่าอลลอบอกว่าแต่ใครที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยและหมาในเขานะ สองาบาตที่เขามีความรู้นะนะเขาก็จะเฝ้าดูถ้าอุซัยฟะละมาดจะน่าจะให้เขาก็ไปละหมาดถ้าเขาไม่ยอมละมาดให้นะเขาจะไม่ละมาดอุซัยฟะครับนี่มีมายัด่จะละหมาดไหมเดี๋ยวขอดูก่อนแต่ท่านท่านขอดูผมก็ขอดูด้วยผมก็นี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูมีก็บอกนี่จะไปละมาดจะน่าบ้างดูดูุซัยฟะก่อน มันไปเรื่องลเรื่องละหมาจนาซานี่อุลมาก็เอาเรื่องนี้เอาเอาเอาเหตุการณ์เนี้ยเราก็สำหรับผู้นำเนี่ยควรที่จะงดการละหมาจนาซาให้บุคคลที่มีพฤติกรรมเยี่ยงพวกมูนาฟิกีนเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยหมายถึงว่าไม่รักษาระเบียบของอิสลาม บางอาจทำความชั่วยอย่างเปิดเผยแล้วก็ท้าทายสังคมอะไรแบบเนี้คนเหล่านี้เนี่ยควรที่จะถูกทำเหมือนที่ท่านนาบีได้ลงโทษเพราะแล้วนี่คือไม่ละมาดผู้นำนะผู้นำมานะเออใช่นี่คนที่ชอบเมาเหล้าหน้าสุราอย่างเงี้ยแล้วก็ตายนี่ได้ว่าเขาเป็นคนรวยหน่อยนี่พอมีจานาซานี่เขาแจกซองกับมากันหมดเลย ครูใหญ่โรงเรียนนักเรียนฮะที่ท่องชุดใหญ่ชุดเล็กนี่มาหมดเลยนี่อ่านให้หมดเลยอันนี้แม่เขาแจกซองไง ท, งทั้งทั้งนี่รู้รู้รู้กันว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมอีมามกามากมการมาศิา น, านี่ก็มาโอ้มาศินก็เต็มไปหมดเลยไอแบบนี้คนที่ทําความชั่วนี่ก็ไม่ต้องแคร์แล้วสิข้อที่สุดเนี่ยธนบัตรนี่เหมือนกํากับพฤติกรรมทุกคนในสังคมได้เลย สังคมไม่มีหลักการศาสนาที่จะกำกับอัลามาอย่งไม่ได้ผู้นำสังคมเนี่ยต้องให้เป็นเยี่ยงอยา่างอ๋อคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้อิห ม, ม่มามอิหม่ามอิหม่ามอยู่ไหนมามาานะอิหม่ามไม่มาคนก็เข้าใจละไอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะไอเกเรไอติบเบินะ้ชอบ ชอบแสดงความชั่วของตัวเองเอะออยู่ในสังคมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยใครใครดื่มน้ําท่อมดีอิห ม, ม่ามเขไม่ละหมาดเลยเนี่ยโอยโอ้ยแต่ใครทําแบบนี้นีนอิห ม, ม่ามเขาไม่ละหมาดมีผลไหมมีผลดิแต่ถ้าหากว่าขายน้ําท่อมหน้าสุราเพราะตอนนี้มันถูกกฎหมายแล้วไงขายกระท่อมหน้าสุราขายดีด้วย โอ้นีบินี่นีขป็นล้านะอิหม่า zakat zakat อะไรเะลอุก zakat กระท่อมไหมอิหม่าพระเจ้ากระหลอำขคให้ร้อนขอบคุณมากนะที่มาช่วยส่วนนี้มีหน้าไหมเนี่ยคาเตบจะขึ้นพูเรื่องกระท่อมเนี่ยมีหน้าไหมเนี่ยแต่ว่านักธุรกิจกระท่อมนี่มีบุญคุณกับสุราทั้งหมดเลยพี่น้อง บางเขาเสียชีวิตแล้วนะมาละหมาดกันเยอะๆนะบา ง, ง, ง, งที่ขายกระท่อมนี่นะผู้นำสังคมนี่ไม่ได้ไม่อยู่แค่ตำแหน่งตำแหน่งจะได้บริหารหมายถึงเงินกรรมการมัสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีว่าจะได้นับทับซีนับช้อนนะให้ครบหรือเปล่าทับซีชอ้อนถ้วยแกงนั่นนะครบหรือเปล่า ต้องนับคนด้วยนี่มุสลิมมีมุสลิมอันนี้หลุดแล้วอันนี้มุนาฟิกนี่กรรมการต้องต้องทำหน้าที่เหมือนนบีแล้วซ่าดูแลสังคมเรื่องนี้ด้วยคนนี้ละหมาคนนี้ไม่ละหมาเนี่นี่หน้าที่ของเขาเราจะอิหม่ามใครมามื่อศีไม่มามื่อศีมาละหมาจุมาไม่มาละหมาจุมานี่ไม่สนใจไม่นับไม่นับลูกจะมาแต่วาระแรกนี้ทับซีหายไปห้าใบแล้วนะต้องต้องเบิกซื้อ ซื้อช้อนซื้อตบพีแนละนี่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของแท้จริงนะ่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่หน้าที่ของของผู้นำที่จะต้องกู้เงินหาเงินมาแจกชาวบ้านทั้งทั้งที่รู้ว่าชาวบ้านนี่เงินส่วนมากนี่ก็เอาไปเอาไปซื้อมือถือเอาไป เอาไปเที่ยวเอาไปซื้อหวยเอาไปไผู้นำเนี่ยมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาของสังคมสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมีเงินแค่ไหนเนี่ยก็ไม่พอเราคนไทยสมมติว่าได้เงินมานี่วันนี้เนี่ยได้มาสองสามแสน เ, เหลือไหม ยิ่งถ้ามีแก๊งไอ้พวกเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เหลือวงเล่า ว, วงเดียวเนี่ยก็หมดเป็นหมื่นแล้วเช้าอีกวันหนึ่งเมียขอสามหมื่นไปซื้อหวยเช้ารุ่งอีกวันหนึ่ง ม, มีเงินกู้สองแสนอีกอยู่กันเป็นแบบนี้นี่จะแจกจะแจกแจกเท่าไหร่นะเขาจะแจกเท่าไหร่นะ มื่นหนึ่งอ่ะมันช่วยได้อะไรควดเบียร์เท่าไหรไไ่บุหรี่เท่าไหร่ล่ะร้อยหนึ่งเี้ไม่ต้องกลัวไม่ว่าแล้วอยากรู้อยากรู้ที่ผมทันนะ่ะ60บาทไม่รู้มันมันรุ่นไหนก็ไม่รู้60บาทนี่รุ่นนู้นน่ะนะ ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเลยร้อยอยังร้อยร้อยยี่บ ะ, อ, ะอ ย, ยอ่อตัวใบนยี่ยอ่ชาวบ้านนี่แหละเเขียวอ่ะเ้ยร้อยกว่บาทใช่ไหมรอยก็บาทหมื่นจงไม่เลือไม่เลือจริงๆ จะแก้ไงปัญหาของสังคมไทยนี่จะมีผู้นําใครบ้างที่จะเอามาบอกว่าคนไทยนี่ต้องเลิกเลิกเล่นการพนันต้องเลิกกินเหล้าต้องเลิกสูบบุหรี่ต้องเลิกเที่ยวกลางคืนผมมีงมานั่งคิดสมมุติว่าวันหนึ่งเพราผมก็อยากเป็นนายกเหมือนกันนะนะ ถ, ถ้าผมเป็นนายกนี่ และจะแก้แผนและแก้ปัญหาเพราะทุกคนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาตามอุดมการณ์ของตัวเองผมนี่นคิดว่าปัญหาของสังคมไทยอนี้ทั้งนี้แหละแก้ไงใหค้คนไทยไม่กินเหล้าไ ม, ม่ผมผมผมได้คอ ย, อยุติไงว่าเออไม่เป็นนายกดีกว่าแก้ไม่ไแก้ยากแก่ยากเอามานั่งคิดในแค่เนี้สเตปแ ร, รกเลยนะ่ะแต่เป็นนายกเนี่ ปัญหาเล่าในประเทศไทยไนี่จะแก้งไงจะแก้งไงเอาช้างเขา้าเข้าสวนเอาสิงเขา้าเอ า, เ, อาเข้าหมดไม่ปล่อยนี่มันปล่อยกันทั่วเลยนะ บอกว่าท่านแรกที่ถูกบานลงมาให้อตั้งครรภ์แล้วหรือจะอตั้งครรภ์แล้วถ้าอตั้งครรภ์แล้วสองร้อยาิระลอลท่านแรกที่ถกบันลงมาก่อนข้ะหนึ่ไม่ถูกบันลงมาทางข้อหนไใหม่แค่ท่อนนี้พอท่านนบีรับรู้แล้วว่าออเจ็สิบไม่ไม่ให้อภัยโทษแสดงว่ามากกว่าจะดสบอาจจะให้อภัยโทษนบีก็เลยขออภัยโทษและกลับมาเจริญใ ทูบบดลงุมะทนหลังนินา ذلك بأنهم ا ل ل ه لا يد القوم ا ل ا ي คือไม่ให้ไม่ต้องขอไปรุนิฟะเลย ذلك بأنهم كفروا نن كفوا พวกเขาได้ปฏิเสธท้าต่อ a l และ ر س ูลของพระองค์บั่ะคันี่แนนนนวะปรยุนิไม่ได้แลว ขอจะขอดูอาจารย์ก็กาเฟติตายไปแล้วอะนะไม่ได้อัลลอฮุลาฮิดีลกอุมอลฟาซิกินและอัลลอฮ์จะไม่ทรงแนะนํากลุ่มชนที่ละเมิดอัลฟาซิกินกลุ่มชนที่ละเมิดละเมิดตรงนี้เนี่ยฟาซิกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าที่ต่ากว่ากาเฟตนะแต่ตำแหน่งกาเฟตกับฟาซิกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งในนิติศาสตร์อิสลามนิติศาสตร์อิสลามมันกวาออกาเฟตนี่นอก ศาสนาเลยฟาซิกนี่เลวแต่ไม่ยังไม่ตกศาสนาอันนี้ในนิติศาสตร์อิสลามนะไม่แต่ในกุรอ่านเนี่ยบางทีในใช้ฟาซิกกับกาเฟตบางทีใช้ากาเฟตกับฟาซิกต์สลับกันอนี้ฟาซิกนี่ตรงนี้หมาว่าละเมิดหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่ทา้าทายทา้าทายหลักการศาสนาละเมิอดอะไรทาําไมฉันเป็นอย่างงี้เรื่องอะไร ปกติแล้วเนี่ยโดยนิสัยของคนละเมิดเนี่ยคนที่ท้าทายหลกัการศาสนาเนี่ยไม่มีความหวังว่าจะสำนึกผิดหรือจะกลับเนื่อกับตัวเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าที่ที่ไม่ได้ให้ไม่อนุญาตขออุทิศขออภัยโทษให้เขาเนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่มีความเมตตาหรือไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่อยากให้อภัยโทษอันนี้ว่าที่ไม่ให้ ที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษและห้ามนาบีไม่อยากให้ขอดุอาขออภัยโทษในเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ละห์สูญเนี่ยไม่อยากขอไม่อยากให้อภัยโทษไม่เพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับอภัยโทษคุณสมบัติของคนลเมืองที่เราต้อ ง, ต, องต้องมองเขาแต่สถานะ สถานะของอับดุลลอฮ์อินอับดุลไบ์นอูบัยอินีสัลูนเนยมีกุรอรานประทานลงมาบงบอกว่าเขาเนี่ยเขารุบิลไลวะรัจูแล้วเขาปฏิเสธแลถือว่าปฏิเสธแล้วแล้วทําไมอัลลอฮ์เพิ่งมาบอกหลังที่ตายไปแล้วเนี่ยทําไมไม่บอกตอนแรกล่ะก่อนที่จะเสียชีวิตบอกในมีก่อนที่จะเสียชีวิตละว่าเขานี่ยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตามนอุบายก็คือ เปิดโอกาสก่อนเนี่ตายนะก่อนี่ตายเนี่ยเปิดโอกาสเพราะท่านอบิลอซลมบอกว่าเตาบ้าเนี่ยตุกบลเตาบตดมามยุรรยุรรแค่กริยานี่ลเต้าบของบ่าของลอ์เนี่ยจะถูกตอบรับจนกระทั่งจนกระทั่งวิญญาณถึงลูกกระเดือเนี่ย และจะมีเสียงฮราฮารารเสียงกล้วกลั้วเหมือนเสียงกลั้วน้ำแต่เวลาเราคล้วน้ํามันก็นั่นนหะและใครที่เคยอยู่ตอนคนที่ก่อจะเสียชีวิตเนี่ยได้ยินเสียงนี่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สลับเนี่ยเขาสนับสนุนนะคนดีใกล้เสียชีวิตเนี่ยฮะไปไปหาอุทาหอนสภาพคนใกล้เสียชีวิต ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่จะเป็นบทเรียนให้เราถ้าถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยสุดบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็จะมีเรื่องดีที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้เราเหมือนกันเอใครดีเคยอยู่กับคนที่ก่อนเสียชีวิตนี้เนี่ยจะได้เสียงนี้เลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเรอแล้วนบีนบีร้างเป็นการยานะมาเลมยูกร์กิ ตอนกระทั่งได้ถึงช่วงที่มีเสียงฮอรคร่านี่ก็คือนั่นก็คือช่วงที่วิญญาณวิญญาณผ่านลุกกระดึกวิญญาณนี่จะออกยังไงะมีใครรู้มั้ยมีใครรู้มัม้ยดีก็นบีบอกวิญญาณนี่มันจะออกจากทุกส่วนของร่างกายเริ่มจากเริ่มจากปลายเท้าไปนิ้วเท้าเนี่ย อยคนที่เสียชีวิตอย่าง ใ, ใคใครที่เคยไปอยู่กับคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนแรกส่วนแรกที่จะเย็นนะนะเทา้าแต่คนที่มีประสบการณ์ในเวลาไปไ ป, ไปใกล้คนที่ตายเ น, นี่ยเขาจะจับเท้าก่อนถ้าเท้ายังอุนอ่นๆอยู่นะนะอั น, น, สนแสดงว่ายัางยังไม่ออกยังมีเนือย่งญญยไม่ออกเขาจะจับเทา้าก่อนนั่นแนหะคนที่รู้เรื่องนะคนที่รู้เรื่องแต่คนที่เรียนหมออย่างเดียวนะเขาจับยังไง ที่ประจอนไม่ดีว่าหมอหนะามีใครพไม่มอที่นี่บ่ไดีว่าหมอคือที่ปรจอนนี่มันมันมันบอกถึงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตนะ่ะใช่ไหมถึงแล้วก็พบกันนะว่าคนนี้เออที่ประจอนไม่มีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ตายเหมือนกันมอีอะไรนะเสียอะไรนะเสียอะไรปั๊มปั๊มหัวใจออ อ่ะแสดงว่าที่ประจอมมันมันไม่พอในคนที่รู้เรื่องเนี่ยจับเท้าเลยรู้เลยรู้เรื่องเลยเท้าเย็นแต่เท้าเย็นน่ยนะนะเริ่มออกออกจากเท้าก่อนออกจากเท้าออกออกไม่หมดวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกกําลังออกจากเท้าเนี่ยกาลังออกจากเท้ายังออกไม่หมดนะยังออกไม่หมดนะออกไม่หมดออกไม่หมดนี่หมายถึงว่ามันยังมีส่วนหนึ่งของวิญญาณยังอยู่ในร่างกาย เท้านี่ยนเนแล้วออกจากทาเท้าแล้วเนี่ยแต่วิญญาณยังออกไม่หมดเนี่ยยังไม่ถึงช่วงฮอร์รฮอร์นี่ก็ยังไม่ตายไงยังไม่ตายวิญญาณก็จะออกจากลูกกราและหนึ่งจากความสนิทสนมระหวังสรีระกับวิญญาณอยู่กันมานานเป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะ วิญญาณมันออกไปโอ้โหร่างกายนี่มันก็รู้สึกเลยว่าเพื่อนตายฉันเนี่ยกำลังออกไปเนี่ยร่างกายก็เลยมองวิญญาณมองตามและนี่คือเหตุผลว่าทําไมลูกตานี่ก็จะมองมองกับคนขึ้นมองนบีบอก ว, ว่าอินอินรูหะอีดะฟารกและจะตับีาะกุล بصر ถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยลูกกตานี่จะตามจะมองก็ก็เพื่อนกันเนี่ย วิญญาณที่เคยอยู่กับร่างสนิทกันขนาดไหนไปแล้วอ่ะไปแล้วแต่พอออกหมดแล้วพอพอหมดหมดลมแล้วใช่ปะเขาก็ทำไหมอะไรทมาอะไรใปิดใช่ปะ่ะให้ปิดคนที่เตาบัด ต, ตัวก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮฺไพร์าอะดะลาราบดะว แม้นว่าจะอยู่ในวาระสุดท้ายก็ตามนี่เหตุผว่ า, วาทำไมอัลลอฮ์ไม่แฉความกูฟรของพวกมุนาฟิกทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ยังเปิดโอกาสเพื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงคนที่ฆาตกรที่ฆ่าเก้าสิบเก้าฆ่าไปเก้าสิบเก้าฆ่าฆ่าแบบ แบบไรเหตุผลไงนึกจะเตาบัดตัวเขาบอกว่าใครอะใครที่เข่งศาสนามากที่สุดเขาไม่ถามว่าใครที่มีความรู้มากที่สุดใครเข่งศาสนาเนี่ยมากที่สุดคนนี้ก็ไปบอกฉันนี่ข้าไปเกาสิคนเนี่ยถ้าฉันเตาบัดตัวนี่กลับเนื่องกับโทษนี่อัลลอฮฺจะให้อภัยโทษไหม อุยข้าวสิบข้าวหนูดูจะอจะให้ได้วยไงมึงยหยมึงไม่มีทางหรอกเฮ้ยไม่มีทางของขึ้นเลยตอนนั้น99บเก้าเลขไม่สวยนะยุคนั้นน่ะเลขไม่ไม่สวยให้คบไปร้อยหนึ่งไปเลยข่าคนเข่งไงน่ะข่าคนคข่งศาสนาในครอบเรย ค่าคนธรรมดานี่ยสมมติว่าคู่อรเนี่ยคียาเหมือนกันนะนะเมาเหล้าเหมือนกันนะนะกับค่าคนชั่วใช่ไหมแต่นี่คนเข่งศาสนานี่ยค่าครบหนึ่งรอยนะไอหมอนี่ก็ยังจะเติมบัตรไม่เลิกอีกอยากจะเตบัตรตั ว, ตวเอ็งเงค่าคนเข่าางศาสนาเงี้ยรู้ละ่ะอยากจะเตบัตรตั ว, ตวมีใครที่มีความรู้มากที่สุดนี่ได้เรือ ก็ไปแล้วฉันฆ่าไปแล้ว9กาคนอย่าง น, างนี้อย่างนี้แล้วก็คนคนร้อยนี่เน่ยเพื่อนท่านเองนี่น่คนเก่งท่นี้เนี่ยถ้าตัวตัวนี่เนี่ยถ้าตั้งใจจริงนี่ได้เลยเอาเงให้ไปโทษใครจะห้ามละ่ะแต่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่เมืองเมืองที่เจ้าอยู่นี่ช่วคนช่วยเยอะอยังขืนอยู่ที่นี่น่ ก, ก, ก็ไม่เลอกดูก็ฆ่าต่อไป เราต้อง อ, อพยพไปอยู่เมืองคนนู้นเมืองนู้นน่มีคนดีไม่ไม่รอจะไปเคลียบบัญชีจะไปอะไรเนี่ยไปแบกสมัยไปเลยในความตั้งใจนะเดินทางไปเลยถึงครึ่งทางครึ่งทางได้ถึงอาจาร์ถึงอาจารหลวงเขาตายครึ่งทาง มาเลก็เห็นความเมตตาว่านี่คนเตาบัตรตัวนุ usaha เดินทางฮิจโรไปแล้วนี่เขาคนดีขนาดนี้นี่เราเป็นเจ้าของวิญญาณนี้เดี๋ยวต้องพาไปเสนอต่อพระเจ้าเขาหนี่ชาวสวรรค์มาเลกาแห่งอาซาไม่มีทางฆ่าไปร้อยคนแน่และหมาสักาวกตูนึงก็ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนี้บันทึกโดยบุคลีและมุสลิมในสำนวนหนึ่ง ขอมุสลิอามอมันนี่บอกว่าตอนนี้ถึงอาเจลนี่นะตอนนี้อาจเจลนี่ยข้านอาเจลถึงแล้ว น, นะข้านค้านไปในทิศของเมืองเมืองแห่งความดีข้านอัลลอฮ์ก็ให้มีคนมาตัดสินระหว่งางอะไรกันสองกลุ่มนี้เอาอยัางไงเอาอยางงี้วัดแล้วกันระหว่ัง ก่อนโนไม่มีก็โอเกิลแมปอะไรพวกนี้ไม่มีนะวัดเลยนะวัดเลยก็ต้องวัดจากเมืองชั่วไปเมืองแล้วเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย น, นะถ้าใกล้เมืองไหนเนี่ยนะก็เป็นชาวเมืองนั้นใกล้เมืองไหนเป็นชาวเมืองนั้นอย่งงางนั้นเลยแหะให้สัญชาติไม่ ง, งา่ายงั้นแหละไม่ต้องมียืน่นหนังสือเอกสาร passport ไ, ไมมีเลย เจ้าของโลกจากตวนันนี่ใกล้เมืองไหนนี่ก็เป็นของเมืองนั้นเลยพรเขาบอกว่าวัดนะ่ะไปวัดนะนี่บันทึกโดยอิมามอามันเนี่ยสำนวนเนี่ยอยู่ใกล้เมืองแห่งความดีนหนึ่งคืบผมนี่สานนิษฐานนะว่าสำนวนบอกว่าคานนะ่ะบอกว่าไอ้ที่คานเนี่ที่คานนี่แหละตอนนี้วิญญาณกําลังออกแต่ยังออกไม่หมดนี่ยนะก็กำลังคานอยู่นะนะี่ะนั่นน่ะได้ใกล้ไปคืบหนึ่งคืบนึ่ง ถึงมุนาฟิกก็เหมือนกันมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้แช่ไม่ได้อะไรเลยพอพออัลลอฮ์เนี่ยพระเยซูเสียชีวิตไปแล้วนี่ถึงประทานัยานี้ลงมาเพื่อเป็นอุทาหรและเพื่อเป็นบทเรียนสําหรับมุนาฟิกคนอื่นด้วยว่วาระวังตัวนะพอบ้านปลายนี่ถึงขณะที่นบีจะไม่ละหมาดให้อีกแล้วนะอย่าคิดว่านาบีละหมาดให้อัลลอฮ์เ น, นี่ยพยซูเนี่ยโอ้ยสบายแล้วนะฉันเป็นมูนาฟิกถึงนบี น, นี้มาได้ยัไม่มีปัญหาไม่แล้วนะ ต่อไปนี่ใครที่อยู่ในแบกลิสต์นะอดไม่มีนบีไม่มีละหมาดใดจึงเป็นบทเรียนที่บอกว่าเป็นบทเรียนที่ที่เราเนี่ยอาจจะไม่ไม่สัมผัสกับความรู้สึกของสหาบยที่ได้อยู่ในเหตุการณ์อัลลอฮฺบิญูบัยดบิสลูลได้ข่าวว่าเสียชีวิตคนในมดีน่าเนี่ยคนองคิดดูสิคนในมดี น, าน่าและนบีจะทํายังไงนบีจะ ขทั่วนเขาหรือเปล่าจะละหมาดในพมีสาบักหลายคนเนี่ขารู้กันดีว่าอัุลลอห์เนี่ยเามีประวัติไม่ดีไงพอนบีมาที่มัสยิดแล้วอะนะมาเขาไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดัไม่ละหมาดที่มัสยิดละมัดมสิพอมาถึงที่ละหมาดจนาซาแล้วเนี่ยส่วนาก็จะละหมาดที่มุสลลาเนี่ยหน้าบเกียเนยบีมา อมุมัขตบละซาบนบีอะลมาไม่ลมามลมานที่นี่เป็นมุนาฟิกอมุมัดเออยางงั้นเลยเป็นมุนาฟิกเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นนะนะเราเรากรลิงตอบเขาพอคนอย่างระดับเราเนี่ยคงไม่กล้าที่จะไปดึงเสื้อนบีนะเราเฉยๆฉช้ๆยดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยทำท่าเป็นอามุมัขต้บเฉยเฉยก่อน แล้วก็เห็นนบีก็เถียงกับอมุรุขดอบเถียงกับอัมอบบอกว่าถึงจะมากกว่าจะ1สิบถ้ามีโอกาสอัลลอฮ์ข้าพเจา้าจะขอพระยะโทนีเราแต่ความรู้สึกของเราว่าท่านนาบีก็ยังเข้าข้างพยายามเข้าข้างในเมื่อยังมีโอกาสที่จะที่จะเบิกทางให้คนชั่วระดับ ร, รู้สึกยังไง ร, รู้สึกยังไงับท่านนาบีผมว่า ถ้าตอนนั้นน่ะนะไอคนนี้ไม่ได้เป็นมนาฟิกนะผมโมดีใจมากเลยนะนี่ขนาดคนเลวอย่างอัลตุลลอห์อุมัยสลูนีนาบียังนาบียังละหมาดยเลยนี่ยโอยถ้าอย่างฉันนี่นะกูคงไม่เลวเหมือนอัลตุลลอห์ไม่เลวขนาดนั้นหรอกกูดีใจดีใจว่าเออนาบีนบีไม่ตาขนาดนั้นน่ะแต่พอหลังจากนี้อาย่านี่นี่ที่มีห้าไม่ละหมาดให้ ให้ควุมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าไม่ให้เพิกเฉยไม่ไม่ให้ราไม่ให้ปล่อยตัวสบายตัวนะสบายใจสบายตัวว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีปัญหามาตรการสมัยท่านดาวิโซโลสันแหละไม่มีหรอกจ้างละหมาดจนาซะ มีงบด้วยแจกซองให้คนที่มาละหมาจนาซางานแต่แบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วคนมาละหมาจนาซ่านี่เป็นสิบเป็นรอ้อยมามก็ถามามายิดคนนี้พวกท่านว่ายังไงเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีแน่นอน พอละมาเสร็จแล้วนี่ก็ต้องตอบว่าดีนะหรือว่าถ้าคนที่แบบว่าหัวรอกกับตัวเองดีจะโกหกได้ไง่ะไม่นี่เก็บไว้เบาๆหน่อยดีเฮ้ยแครู้มันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่ดีแล้วไปตอบว่าดีได้ไงผมตอบตามตรงเลย อุ a ัได้ยินได้ยินชันโครงสร้างของสังคมมันก็เปลี่ยนไปในะสมัยนบีในะต่กอนน้นจะมีเหรอคนที่บอกโอฉันมีตัง ฉ, งฉงงะะัไม่ต้องห่วงหรอกนบีจละหมาดไว้ละหมาดเดี๋ยวคนมาเยอะมีปัญหาแจากตังแจกขาน้ามันโครงสร้างของสังคมนี่มั น, ม, นมันถูกทาลายไปเยอะนะฝากเพีนนี้นะครับมีคำถามไหม ا ัล ا อฮฺข้า م เจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าท ي ่ و รงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความ ه و กข์